เจ็แปดเนี่ยเป็นฤดูที่ปลูกฝังถ้าทํานาก็ทํานาเสร็จแล้วก็เราไว้เดือนเก้าเด <10, S 2> ือนสิบผลชุ ก, ชกทําไม่ได้ก็ามาพักผ่อนทำมาหากินทำวันอื่นฤดูแต่ฤดูแบ่งให้เราทํางานได้ตามฤดูกันมีประโยชน์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 พวกเราเ้ของพระพุทธเจ้าทําหน้าที่เรื่องนี้ยาตะตะจียาประโยชน์ต่อญาติโตตถะจียาประโยชน์ต่อโลกพุทธตะจียาประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างที่เราสาธยายจึงใดกิจันใดที่เราตตาคตผู้เห็นหนูได้ทํากับพวกเธอแล้ว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 ถ้าไม่ทำถามก็เป็นโทษจริงๆสุขสนเกิดโลกเกิดภัยจริงๆถ้าไม่สุขสนก็ไม่มีโลกอะมาก็เป็นทำที่สุดไม่ต้องเรียกล่องหาความเป็นธรรมที่ใดสร้างความันทําให้เกิดขึ้นแก่เราคน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 ในควมไม่เที่ยงเป็นทุกข์ในควมไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์ได้ไหมไหนควมไม่ทุกข์ไม่เป็นทุกข์ได้ไหมเคยทุกข์ตังเลยใจยใจดูจริงมันจริงไหมมันมีจริงไหมทุกข์เน่ความโกรธมีจริงไหนดู ด, ด, ดีๆมันมีทางหลงตามไม่รู้จะพูดยังไงเลยพิกฝ่ามือให้ดูเนี่ยความโกรธมันลังมือความไม่โกรธมัน้ามือเนี่ย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 มีสารพัดเจอชิเิตตัณหาเจอควา ม, มง่งเหงา ห, าหนอนหัวฟักหัเปลี่ยนมานกันนถอเจอความยากหรือความผิดผ่านมาอย่างโศกโศนเจอความทุกข์ยอดนักทุกข์ไม่ต้องมาขุยวดอวาทุกข์เนี่ยมีเท่าไหร่ในโลกเนี่ย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 เรวจัดไม้ทำลายป่าโรคทำลายโลกโรกร้อนเป็นธรรมแล้วเกิดแผ่นดินไหวเป็นธรรมแล้วเกิดพายุฝนตกหนักแผ่นดินชุดเป็นธรรมแล้วไม่ใช่ไม่เป็นธรรม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 จอดเข้ากันเวลามันแหงกัจอดเข้ากันถ้าแหงมากก็จอดดักหมวยไปทั่วโลกนา <c oughs> เรือนพังแบบฝีมือของคนธรรมชาติมันปรับไม่มีใครช่วยบรรณ า, าอาสมุดมันปรับขึ้นยักษ์มันปรับเพื่อมันอยู่รอดถ้าไม่ปรับมันอยู่ไว้รอดโลกเน่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 พอมันเป็นตมเราก็มาทำาวรมฉาดแผลมันทาล้างแหวงโอทาปับล่องอ้ยล่องแรงลันไปเลยปอมันล่องทีเดียวมันหยุดเอาหยั่งมาท่าน่ะเออเออเนั้นแล้วอนันแ้วเนั่นเอาเอาหยังมาท่ามันหนมันโดดตึ๊บมันลองนะอมันพูดเอายังมาท่า คอยเอยังไม่ทานคอยเด็กน่อยเออนนี่ก็เอามาใชอีกแน่เอามาใช่อีกแน่สิฝนนี่ไ่ทัเออนั่นแหะสิเศร้าหรอเศ้าหรอเศร้ารออ้นีก็ร้อนนะหน้าคาบจะาร้องให้นะแล้วจากบพญาลากดามักไสเด็นถ้าจ่าบานหงก็จะน้ามะนาวก็เห็นคุณค่าเนี่ย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 ของเทศของจริงมีอย่างนี้อย่าไปโทษอะไรเป็นธรรมแล้วในโลกเนี่ยเราหลงเราจังโกรธเราหลงจะงทุกข์เร า, า, าไปโทษคนอื่นคนอื่นทาไมโกรธใครทาให้โกรธไม่มีทางถ้าเราไม่โกรธถ้าเราไม่หลงแล้วดยมันเลยโลกเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรเราทำไมเราโกรธเราจังโกรธไม่ใช่อันนั้นมัน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 ไม่อายแต่มีคำพูดได้พูดได้ไม่มากต่อไปพวกนี้อาจจะไปขอนเพียนอีกไปบ่ <c oughs> สองคนจวลาวันในกับปพร้อมกัน